อาจารย์ชิดกับนายสมชายช่วยท่านพระครูตอบจดหมายอยู่ถึงห้าทุ่มจากนั้นคนทั้งสองจึงได้รับอนุญาตให้ไปพักผ่อนหลับนอนส่วนท่านเจ้าของกุติทำงานคนเดียวต่อไปจนถึงตีหนึ่งหรือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนจำวัดสมพานวัยห้าสิบตั้งใจจะเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานท่านรู้สึกกระหายน้าเป็นกาลัง จึงเอื้อมมือไปหยิบกระติกน้ำร้อนเพื่อจะนำมาชงชาดื่มชาของท่านมิได้ทำมาจากใบชาหากทำมาจากต้นใต้ใบกับต้นมายราบสับละเอียดตากแห้งนำไปคั่วจนออกสีเหลืองแล้วชงกับน้ำร้อนใช้ดื่มต่างน้ำชานายสมชายเพิ่งจะเติมน้ำร้อนลงไปเมื่อตอนสี่ทุ่มเมื่อท่านเปิดฝาชั้นนอกของกระติก ก็มีเสียงระเบิดดังฟุ้กน้ําร้อนพุ่งออกมาลวกต้นขาท่านจนปวดแสบปวดร้อนทั้งสองขาบัดดนท่านนึกถึงนางดำลายเจ้าแมวเคราะห์ร้ายที่บังเอิญผ่านมาตอนที่ท่านสาดน้ําร้อนออกไปทางหน้าต่างเมื่อตอนดึกของวันวานมันส่งเสียงร้องแป้วแล้ววิ่งหายไปทางสาาการปรเรียนท่านตรวจสอบดูก็รู้ว่าน้าร้อน ไปลวกขาทั้งสองข้างของมันจนเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเพียงชั่วคืนเดียวกรรมนั้นก็กลับมาสนองท่านรวดเร็วจนไม่ทันได้ตั้งตัวนังดำไหลเอ้ยขอบใจเองมากนะที่มาทวงแต่เนิ่นเนินอย่างนี้เป็นอันว่าค่าใช้เองแล้วหมดหนี้หมดสินกันเสียทีชาติหน้า คาดจะไม่เกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วท่านรำพึงกับตัวเองอันที่จริงท่านมีคาถาดับพิษร้อนเพียงแต่สำรวมจิตว่าคาถาแล้วเป่าพรวดลงไปตรงบริเวณที่เป็นอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปในทันทีแต่ท่านไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะจะเป็นการเอาเปรียบนังดำลายเกินไปมันทุกทรมานแค่ไหนนานเพียงไร ท่านก็ควรจะได้ใช้คืนในอัตราที่เท่าเทียมกันแม้จะได้แผ่เมตตาให้มันไปแล้วเมื่อตอนเช้าก็ตามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหยิบชาใส่ถ้วยกระเบื้องแล้วเทน้ําร้อนลงไปโชคยังดีที่กระติกไม่แตกแล้วก็ยังมีน้ําร้อนเหลืออยู่อีกตั้งเกือบครึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะระเบิดนอกเสียจากว่า ต้องการให้ท่านชดใช้กรรมกรรมที่ทำกับนางดำลายโดยไม่ได้มีเจตนาแม้สักนิดภิกษุสูงวัยยกถ้วยชาขึ้นดื่มรสขมและเื่นของต้นใต้ใบช่วยให้ท่านลืมความปวดแสบปวดร้อนที่ขาลงได้บ้างท่านดื่มชาชนิดนี้มาหลายปีแล้วและก็รู้ว่ามันเป็นยารักษาโรคมะเร็ง ได้อย่างวิเศษที่สุดแม้จะมีทุกขเวทนาที่บริเวณต้นขาทั้งสองข้างแต่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังคงนั่งเขียนหนังสือต่อไปกระทั่งได้ยินเสียงยามเคาะแผ่นเหล็กสองครั้งจึงเตรียมตัวจำวัดภิกษุวัยห้าสิบเอนกายลงอย่างมีสติครั้นศีรษะถึงหมอนจึงหลับตาลงช้าๆและแล้ว ภาพใบหน้าคมคายของอาจารย์สาวผู้มีนามว่ากวิศยาก็มาลอยวนเวียนอยู่ในห้วงมโนนึกมันจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างท่านรำพึงกับตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งท่านรับแขกหลายสิบคนและก็เมตตาช่วยเหลือเข้าไปตามกำลังความสามารถช่วยแล้วก็แล้วไม่เคยเก็บปัญหาของใครมาคิดต่อเป็นกันบ้าน เรื่องที่จะนึกโปรดปรานผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษก็ไม่เคยมีบางคนเห็นกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นกันอีกหรือบางคนแม้จะเห็นอีกท่านก็จาไม่ได้เสแล้วเพราะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งคนเข้าวัดเป็นพันๆแต่เหตุใดภาพของอาจารย์คนนั้นจึงมาปรากฏในใจของท่านคงจะต้องมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันมาอย่างแน่นอน อยากระนั้นเลยเราควรจะให้เห็นหนอช่วยตรวจสอบดูแล้วเห็นหนอก็ทำหน้าที่อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยการรำลึกนึกย้อนกลับไปยังอดีตถอยจากชาติปัจจุบันไปสามชาติเวลานั้นท่านเกิดเป็นสไพยเขาต้องถูกแม่ผัวกลั่นแกล้งทุกวี่วันจนหาความสุขไม่ได้แล้วท่านก็มีลูกสาวถึงสี่คนแม่ผัว ซึ่งอยากได้หลานผู้ชายก็หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีนางยุยงลูกชายว่าท่านเป็นหญิงกาเลกินีจึงไม่สามารถมีลูกผู้ชายได้แรกแรกสามีท่านไม่เชื่อครั้นเมื่อถูกมันดายุยงหนักเข้าก็ชักจะหวั่นไหวบังเอิญท่านตั้งท้องลูกคนที่ห้าแม่ผัวก็ตราหน้าว่าต้องเป็นลูกสาวอีกครั้นท้วนกําหนดเท่าสมมาตร ท่านคลอดลูกออกมาเป็นชายแม่ผัวดีใจสุดขีดถึงกับชอกตายไปท่านจึงถือว่าลูกชายนำโชคมาให้ช่างโชคดีที่แม่ผัวตายเสียได้จากชาติลูกสะภ้ยก็ไปเกิดเป็นแม่ทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจากชาติแม่ทัพก็มาเกิดเป็นลูกชายของผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งตั้งบ้านเรือน อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ได้ตกน้ำตายเมื่ออายุยังไม่ทันครบสี่ขวบขณะนั้นมีน้องชายอายุสองขวบและมาในชาตินี้น้องชายคนนั้นมาเกิดเป็นพระโบเหียวส่วนลูกคนที่ห้าในชาติที่ท่านเป็นสไพยนั้นมาเกิดเป็นอาจารย์กวิสยาเห็นการเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัตะสงสารแล้ว ท่านก็นึกท้อแท้และเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะเกิดอีกแม้แต่ชาติเดียวเมื่อภาพยนต์แห่งพบชาติฉายจบลงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงได้คำตอบว่าเหตุใดภาพของอาจารย์สาวจึงลอยวนเวียนอยู่ในห้วงมโนนึกสมภารวัยห้าสิบรำพึงกับตัวเองว่าโถเอ้ยไอ้หนูลูกแม่ ที่แม่เกิดเป็นผู้หญิงเองกลับเกิดเป็นผู้ชายแต่พอแม่มาเกิดเป็นผู้ชายเองก็มากลายเป็นผู้หญิงเส้นนี้อ น, นิจจังวัตสังขาราได้คำตอบเป็นที่พอใจแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เข้าสู่ห้วงนิทรารมและพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาทําความเพียรในอีกสองชั่วโมงข้างหน้า ชันเช้าเสร็จท่านพระครูก็ลงรับแขกนายสพาลูกชายมานั่งรอคิวแต่เช้าเห็นหน้าเด็กหนุ่มแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะได้ไปได้ดิบได้ดีในภายภาคหน้าแต่ที่เกเรอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้นี่ค่ากุยเตี๋ยวนั่นเองลูกชายท่าทางดีนี่นะ ไม่เกวรอกท่านพูดให้กำลังใจทั้งพ่อและลูกไม่เกยังไงล่ะครับหลวงพ่อก็มันไม่ยอมเรียนหนังสือคนเป็นพ่อแยง้งใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อได้ยินว่าลูกชายท่าทางดีต่อไปก็เรียนเชื่อสิมาบวชวัดนี้แล้วออกไปดีทุกคนอาตมาดูหน้าเขาแล้ว ไม่ใช่คนเกเรเกเสอะไรถ้าเกจริงป่านนี้ติดยาเสพติดเรียบร้อยไปแล้วจริงไหมไอ้หนูท่านถามคนอายุสิบปดก็ไม่แน่หรอกครับหลวงปู่ตอนนี้ยังไม่ติดต่อไปอาจจะติดก็ได้คนอายุสิบปดว่าด้วยเจตนาจะแกล้งคนเป็นพ่ออย่านะไอ้หนูนะคืนเองทำอย่างนั้น กดเท่ากับตกนรกทั้งเป็นเชียนะแล้วใครๆก็ช่วยเองไม่ได้เชื่อหลวงปู่เหอะตกลงหลวงพ่อจะให้มันบวชเมื่อไรครับนายสายถามใจเป้าเมื่อฟังคำของคนเป็นลูกอีกสามวันระหว่างนี้จะให้พระมหาบุญท่านช่วยสอนช่วยฝึกไปก่อนไม่ต้องห่วง อาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยแล้วพลาดตรล่ะครับจะให้ผมซื้อมาหรือว่าจะเอาเงินให้หลวงพ่อไปซื้อไม่ต้องทั้งสองอย่างอาตมาให้สมชายไปซื้อมาให้แล้วโยมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไว้เป็นธุระของอาตมาเองทำไมหลวงพ่อถึงได้เมตตาผมกับลูกมากมายถึงป่านนี้ ผมนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าในประเทศไทยยังมีคนดีๆเช่นท่านล้งเหลืออยู่ขอให้ลงพ่อจงมีอายุยืนยาวนะครับนายใสให้ศีลให้พร อ, อาตมาก็ตั้งใจว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละโยมท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มแล้วถามเขาว่าอยากรู้ไหมว่า ทำไมอาตมาถึงต้องดีกับโยมเป็นพิเศษอยากครับทำไมหรอครับขดถึบมาใกล้ๆอาตมาไม่อยากให้คนอื่นได้ยินมันเป็นความลับบุรุษวัยหกสิบจึงคลานเข้าไปจนชิดอาสนะท่านเจ้าของกุฏิก้มลงมากระซิบที่ข้างหูเขาว่ารู้แล้ว อย่าเที่ยวไปบอกใครนะอาตมาต้องการใช้หนี้โยมหนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวอาตมาขโมยเงินโยมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวโยมกินทุกวันแล้วจะช่วยอบรมลูกชายให้เป็นการใช้หนี้ตกลงนะห้ามบอกใครนะครับผมรับรองว่าจะไม่บอกใครถ้างั้นผมลาละครับฝากไอ้หนูมันด้วยแล้ววันบวชผมจะมาใหม่ นายใสกราบท่านพระครูแล้วหันไปสั่งลูกชายว่าไอ้หนูเอ็งเชื่อฟังหลวงปู่ท่านนะท่านใช้ให้ทำอะไรก็ทำพ่อไปก่อนละคนเป็นพ่อลุกออกไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงถามคนเป็นลูกว่าไอ้หนูเอ็งกินข้าวเช้ามาหรื อ, อยังยังเลยครับหลวงปู่พ่อแกเร่งซะจนผมกินไม่ทันไอ้หนูอายุสิบแปดตอบ แล้วหิวหรือเปล่าละ่ะหิวสิครับหลวงปู่หิวจนไส้กิวแล้วลูกชายในใส่ว่างั้นเดี๋ยวให้เขาพาไปกินที่โรงครัวสมชายปละเดี๋ยวเธอพาไอ้หนูไปกินข้าวแล้วเอาไปส่งให้พระมหาบุญบอกช่วยจัดการให้หน่อยอีกสามวันเขาจะบวชเนนสิทธิวัดจึงจัดการตามที่ท่านสั่ง เขาเดินนำเด็กหนุ่มไปยังโรงครัวรอจนฝ่ายนั้นรับประทานอาหารอิ่มนนำสำราญแล้วจึงพาไปหาพระมหาบุญสนทนาปลาัยและแก้ไขปัญหาให้ญาติโยมจนถึงเวลาสิบนาฬิกาท่านเจ้าของกุฏิจึงบอกพวกเขาว่าอาตมาต้องขึ้นศาลาก่อนนะได้เวลาแล้วใครไม่รีบกลับก็ขอเชิญไปฟังพระสวดธรรมจัก ที่ศาลานะวันนี้คุณหญิงเข้ามาเลี้ยงเพลงอาตมาเลยนิมนพระสง์สวดธรรมจักเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงอาตมาไปแล้วนะใครจะฟังก็ตามมาท่านลุกจากอาสนะจัดเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยแล้วเดินไปยังศาลา ญาติโยมหลายคนเดินตามท่านไปบางคนก็กลับบ้านเพราะเสร็จธุระแล้วคุณหญิงและคณะมาก่อนเวลาพระสวดเล็กน้อยคณะผู้ติดตามมีไม่มากเท่าครั้งที่แล้วคงเป็นเพราะรัฐมนตรีไม่ได้มาด้วยนั่นเองเจริญพรคุณหญิงสบายดีหรือท่านทักทายสบายดีค่ะ คุณหญิงตอบท่านรัฐมนตรีไม่มาด้วยรืท่านไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะอ้าวยังไม่กลับอีกรืไปนานจังท่านนึกไปถึงสาวน้อยหน้าอ่อนที่คนเป็นรัฐมนตรีเอาซ่อนไว้ในรถมีม่านปิดมิจชิสหากท่านก็ยังอุตสาเห็นหากถามเกี่ยวกับรัฐมนตรี คุณหญิงอาจจะรู้ระแค่ระคายท่านจึงเปลี่ยนเรื่องถามวันนี้คุณหญิงอายุเท่าไรแล้วห้าสิบปีเต็มค่ะคนเป็นคุณหญิงตอบพอดีกับได้เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงว่าญาติโยมตั้งใจฟังพระเจริญพระพุทธมนต์นะอย่าไปคุยกันผู้ใด ได้ฟังพระสวดธรรมจักถือว่าเป็นสิริมงคลบ้างคนฟังแล้วเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ก็มีจากนั้นพระสงฆ์ก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจักตามลำดับคุณหญิงและคณะตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอันดีเพราะต่างก็คิดว่าจะไม่ยอมให้เสียชื่อเหมือนเมื่อคราวที่แล้ว พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาใกล้เที่ยงพระภิกษุสามเณมรก ร, บราบพระรัตนตรัยสามครั้งพร้อมกันแล้วต่างแยกย้ายไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างกุติของตนแต่ท่านพระครูยังไม่ลุกไปไหนขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหารกันให้อิ่ม น, น้ำสำรานเสยก่อเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง ท่านเชื้อเชิญบรรดาผู้มาร่วมพิธีแม่ฉีเจียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็คลานเข้ามานั่งตรงหน้าท่านพระครูกราบท่านสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อเมื่อคืนท่านพยาบาลนังหนูส้มปล่อยมันเกือบทั้งคืนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจ้ะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพชรชราแล้วแม่ทีไม่รู้หรอกหรือ ทราบจ้ะแต่ฉันมันติดเรียกชื่อเดิมปากมันเคยจ้ะเขาเป็นยังไงล่ะไหนลองเล่าไปสิคือตอนหัวคำ่ำเขาก็ปฏิบัติกรรมฐานปกติพอตอนดึกเขาบอกว่าปวดที่ทันฉันก็ให้เขาอดทนเขาก็แข็งใจทน แล้วก็ไม่อารวาดเหมือนก่อนพ่อปวดหนักหนักเข้าเขาเลยร้องไห้เสร็จแล้วแผลมันแตกจากหลงพ่อทั้งหนองทั้งหนอนไหลออกมาเละเๆะจากลากแผลหนอนตัวเท่านิ้วก้อยฉันเลยฉันก็เอากระโทนมารองโอ้โหเต็มกระโทนเลยกลิ่นเกาเม้นฉันก็กําหนด กลิ่นเนาะกลิ่นเนาะพอหนองหยุดไหลฉันก็รินยาให้ดื่มเขาก็ดื่มแล้วก็หลับไปเลยเช้าหมาก็หายเป็นปกติแผลก็หายแต่เขาอย่างเพลียลุกไม่ขึ้นเข้าหมดกรรมแล้วเดี๋ยวช่วยไปบอกเขาว่าอาตมาขออนุโมทนาด้วยอีกห้าหกวัน ก็ให้กลับไปอยู่บ้านได้แต่ถ้าเขายังอยากจะอยู่ก็ตามใจเขาจ้าแล้วฉันจะบอกเขาให้เสร็จธุระแล้วแม่ฉีก็กราบสามครั้งแล้วคลานออกมาคุณหญิงคลานเข้าไปแทนคุณหญิงอิ่มเร็วจังกับข้าวไม่อร่อยหรือไงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถาม อร่อยมากค่ะหลวงพ่อแต่ดิฉันปลื้ม อ, อกปลื้มใจซสจนทานไม่ลงไม่ใช่เพราะท่านรัฐมนตรีไม่มาก็เลยทานไม่ลงหรอกนะท่านสัพพโยกก็คงมีส่วนค่ะคุณหญิงยอมรับแล้วพูดต่ออีกว่าทุกทีเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเพิ่งจะครั้งนี้แหละคะ่ะที่ท่านติดราชการมาไม่ได้ฟังคนเป็นคุณหญิงพูดแล้ว ท่านพระครูให้รู้สึกสงสารเพราะท่านรู้ว่าคุณหญิงไม่รู้หรอกว่าราชการของผู้เป็นสามีนั้นคืออะไรนายขุนทองคลานเข้ามานั่งใกล้ๆคุณหญิงอยากจะดูเครื่องเพชรให้เต็มตาเพราะเห็นเม็ดเป้งๆทั้งนั้นขอประธานโทษคุณหญิงมีบุตรกี่คนท่านสมภา์เปลี่ยนเรื่องถามเมื่อเห็นคนปากโป้งเข้ามาร่วมวงสองคนคะ่ะ หญิงหนึ่งชายหนึ่งกำลังเรียนอยู่เมืองนอกทั้งคู่อีกหน่อยก็คงมีตัวเล็กๆมาให้อุ้มอีกนะฮะคนปากโป้งว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันแก่เกินไปแล้วมีไม่ได้แล้วคนเป็นคุณหญิงรีบปฏิเสธคุณหญิงมีไม่ได้แต่ท่านรัฐมนตรียังมีได้นี่ฮะฮะเธอว่าอะไรนะ คุณหญิงฉุกใจกับคำพูดของชายหนุ่มขุนทองท่านพระครูเรียกชื่อหลานชายนายขุนทองมองหน้าหลวงลงุงก็เห็นท่านขยิบหูขยิบตาแต่เขาไม่เข้าใจจึงพล่มต่อจริงๆนะฮะคุณหญิงดูเห็นกับตาเลยขุนทองคราวนี้ท่านพระครูถอดแว่นออกเพราะคิดว่าหลานชายคงไม่เห็นตอนท่านขยิบตา โอ้หลวงลุ ง, ลงทำตาริบๆเป็นอะไรรึเปล่าหรือว่าจะเป็นลมเดี๋ยวนะหนูจะไปชงยาหอมมาให้พูดจบก็กุลีกุจอออกไปหมายความว่ายังไงคะหลวงพ่อคุณหญิงหันมาเล่นงานท่านสมพานแทนไม่มีอะไรหรอกคุณหญิงเจ้าหมอนี่มันธาตุไม่ค่อยจะดีเลยพูดจะเลอะเธอเปรอะเปื้อนไปหน่อยไม่มีอะไรหรอก แต่ดิฉันว่ามันจะต้องมีอะไรหลุมพ่ออย่าปิดดิฉันเลยค่ะคนเป็นคุณหญิงพูดเสียงดังกว่าปกติจนทำให้คนที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่หันมามองเบาๆหน่อยคุณหญิงอัตมาขอร้องเถอะนะวันนี้ก็เป็นวันมงคลของคุณหญิงจึงควรที่จะต้องทำจิตใจให้พองใสเบิกบานอะไรที่ไม่ดีไม่งาม ไม่ต้องเก็บออกมาคิดนักคุณหญิงนะท่านพระครูพูดเตือนสติคนเป็นคนหญิงคิดว่าเสร็จงานนี้แล้วจะต้องพิจารณาโทษพ่อหลานชายตัวดีสักหน่อยโทษฐานที่นำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยดีฉันขอโทษค่ะเอาเถอะเมื่อหลวงพ่อไม่ให้คิดดีฉันก็จะพยายามไม่คิดปากพูดอย่างนี้หากใจนั้นคิดว่าเสร็จงานนี้แล้ว จะต้องสัมภาษณ์พ่อหนุ่มท่าทางกระตุ้งกระติ้งคนนั้นให้รู้ความจริงให้จงได้ในคขุนทองประคองถาดใบเล็กมีถ้วยกระเบื้องใสา ย, ยาลมซึ่งละลายเรียบร้อยแล้วมาประเคนท่านพระครูปากก็ว่าหลวงลุ ง, ลงฉันยาลมหน่อยจะได้รู้สึกดีขึ้นสมภารวัยห้าสิบจึงจำต้องรับถ้วยยาขึ้นมาดื่มเพื่อไม่ให้คนเป็นคุณหญิงสงสัยท่านพูดเบา ให้หลานชายได้ยินแต่ผู้เดียวว่าความรู้สึกของข้าคงจะดีขึ้นถ้าเองไปให้พ้นหูพ้นตาค่ะไปเลยไปเฝ้ากุฏิแทนสมชายแล้วให้เขามาแทนเองที่นี่หลานชายทําตามคำสั่งผู้เป็นลุงเขาหายไปสักพักนายสมชายก็ขึ้นมาบนศาลาชายหนุ่มยกมือไหว้คุณหญิงแล้วไม่ได้พูดว่าไร ใจนั้นอยากจะถามว่าทำไมท่านรัฐมนตรีจึงไม่มาด้วยแต่ก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของตนท่านจะมาหรือไม่มามันก็ไม่ใช่โครงการอะไรของเขาเมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จสับแล้วคณะของคุณหญิงก็ค่อยๆทยอยกันมานั่งสนทนากับท่านพระครูคุณหญิงจึงถือโอกาสลุกออกมาทําทีว่าจะไปห้องสุขาครั้นพ้นสายตาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง เธอก็เดินไปที่กุฏิมีคนรอบพบท่านพระครูหลายคนเธอจึงกวักมือเรียกให้คุณทองมาหาคุณหญิงมีอะไรจะใช้หนูหรือฮอเขาถามคุณหญิงยังไม่ตอบเธอเปิดกระเป๋าถือหยิบธนบัตรสีแดงออกมาจากกระเป๋าสตางค์สามใบส่งให้ชายหนุ่มเอาไว้ซื้ออะไรที่เธออยากจะซื้อคุณหญิงว่าหากเป็นนายสมชายจะต้องปฏิเสธแต่นายคุณทองไม่ใช่ในายสมชาย ชายหนุ่มรีบยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณใจนั้นกระหยิ่มยิ้มย่องคราวนี้อีขุนทองมีเงินดัดผมกระซื้อรองเท้าส้นสูงแล้วให้สินบนเรียบร้อยแล้วคุณหญิงจึงเริ่มเรื่องนายขุนทองกลัวใครจะมาได้ยินจึงชวนไปคุยกันที่ศาลาท่าน้าแล้วเขาก็เล่าให้คุณหญิงฟังทุกอย่างทุกประการเหมือนจะให้คุ้มกับค่าจ้างสาร้อยบาท ที่คุณหญิงให้คนเล่าเล่าจบคนฟังก็เข่าอ่อนมือไม้อ่อนรู้สึกเหมือนใจจะขาดเสยให้ได้เธอร้องไห้คร่ำครวญพร้อมกลด่าคนเป็นสามี <c oughs> ไอ้แก่นะไอ้แก่ถรยศ์กูจนได้ไอ้งูเห่าเลี้ยงไม่เชื่องกูอุตสาห์ช่วยมันวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่กูก็ทำกว่าจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกูลำบากเลือดตาเทบกระเด็นพอได้ดีบได้ดี มึงก็มาทรายศกูไอเว 500. ณห้าร้อยนายขุนทองรู้สึกเสียใจที่ทำให้คนเป็นคุณหญิงต้องร้องไห้และคนเป็นรัฐมนตรีต้องถูกดา่าไม่รู้ที่จะแก้ตัวอย่างไรจึงส่งเงินสามร้อยบาทคืนให้คุณหญิงเป็นการไถ่โทษคิดว่าอย่างไรเสียเธอคงไม่ยอมรับคืนแต่ก็ผิดคาดเพราะคนเป็นคุณหญิงเอื้อมมือมากระชากเงินนั้นไปใส่กระเป๋าของตนได้เงินคืนแล้ว ก็ยังไม่หยุดร้องไห้นายขุนทองจึงปลอบว่าคุณหญิงอย่าคิดอะไรมากเลยเหอะอีกหน่อยเขาก็เลิกกันผู้หญิงที่ไหนเขาจะโง่เอาคนจวนเข้าโงมาทำผัวออนี่มึงว่ากูเหรอมึงว่ากูโง่เหรอเธอแหวเข้าใส่ในายขุนทองตกใจอ้าปากค้างนึกสมน้ำหน้าตัวเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีคนเป็นคุณหญิงยังคงรำพึงรำพันต่อไปว่า กว่ามันจะเลิกกันกูก็หมดตัวพอดีนี่เงินทองได้มาคงเอาไปบำรุงบำเรย อ, อีนั่นหมดคอยดูนะกูจะต้องสืบให้รู้จนได้จะต้องถลกหนังมันเอาเกลือทาเฉละค่ำคืนนั้นเมื่ออาคันตุ ก, กะกลับไปหมดแล้วท่านพระครูจึงเรียกตัวในขุนทองมาซักฟอกเอ็งนี่มันแย่มากนะเจ้าขุนทองมีอย่างที่ไหน ไปพูดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันระวังจะตกนรกคราวหน้าคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อีกได้ยินไหมข้าอุตส่าห์ถอดแว่นข้าหยิบตาให้เองก็ยังไม่รู้เรื่องยังดีนะที่ข้าไว้ทันจึงใช้ให้เองมาเฝ้ากุติแทนเจ้าสมชายไม่งั้นความลับแตกแน่ นายคุณทองร้องไห้โฮโฮออกมาจนท่านพระครูตกใจอะไรว่าแค่นี้ก็ต้องร้องไห้เกิดจะมีคุณธรรมสูงขึ้นมาเดียเ๋ยวนี้เรื่องไงท่านประชดมันไม่แค่นี้สิฮะหลุงลงุมันไม่แค่นี้คนพูดร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วมันแค่ไหนล่ะมันหมดเปลึกเลยฮะหนูแอบเล่าให้คุณหญิงฟังหมดเปลืกเลยเขาจ้างหนูสามร้อย พอเล่าจบเขาก็เอาเงินคืนกรียย